สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยสิบหกคำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่เก้าสิบเอ็ดขอให้พ้นจากครึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับความจริงสี่ประการนะครับผมขอทบทวนประการแรกคือเราต้องเชื่อว่ามานร้ายมีจริงประการที่สองก็คือว่าเราต้อง รู้ว่ามันกำลังต่อสู้กับเราอยู่ประการที่สามก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยและประธานชัยชนะเหนือเราและประการที่สี่คือเราสามารถใช้คำ ร, ริษฐานของพระเยซูเพื่อรับการปลดปล่อยและเพื่อก้าวสู่ชัยชนะได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจของท่านอัครทูตเปาโลในเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในปริยสุขิตเรเหล่านั้นจะต้องไม่ปล่อยให้ซาตานนั้นเข้าถึงเราได้โดยที่ว่าเราต้องกำจัดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตหรือสลัดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตหรือทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่เยอะแยะมากมายในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นการไม่ยกโทษเราจะต้องยกโทษให้กับกันและกัน เพราะนี่คืออุบายของมันในการเข้าถึงชีวิตของเราในการที่จะมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราได้พี่น้องครับมันสามารถเข้าไปพบกับพระเจ้าได้ในพระธรรมโยกมันขึ้นลงไปมาระหว่างย่านฟ้าอากาศทั้งหลายมันเช่นเดียวกันครับก็สามารถเข้ามาวนเวียนและเข้ามามีอิทธิพล ส่งอิทธิพลต่างๆมาล่อลวงขุดลุมทำกับดักกับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนีครับการงานของมานั้นต่อต้านพระเจ้าชื่อของมารซาตานั้นแปลว่าปริปักปรปักครับหรือศัตรูปรปักหรือศัตรูมันต่อต้านตั้งใจที่จะไม่แผนการของพระเจ้าล้มเหลวนะครับและบางครั้งมันก็เรียนแบบพระเจ้า นะครับเหมือนกับชุนักป่าที่อยู่ในคราบของแกเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดคริสเตียนนะครับให้ออกจากแผนการอันเรียบง่ายของพระเจ้าในการช่วยหเหลือเรามันสร้างความยากลำบากมันทำให้เกิดความซับซ้อนมันทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากเราจะเห็นนะครับในพระธรรมแดเนียลนะครับมันถ่วงเวลา ผู้สวรรค์ที่จะประกาศข่าวประเสริฐที่จะประกาศเป็นผู้ที่นำเนื้อหาสาระจากพระเจ้าข้อมูลข่าวสารจากพระเจ้ามาให้กับแดเนียลพี่น้องครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราอนิสฐานนะครับว่าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พ้นจากมารร้ายหรือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเรากำลังขอการคุ้มครองของพระเจ้านะครับในขณะเดียวกัน เราต้องไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่ของศัตรูเราจะต้องไม่ยอมใช้ชีวิตยอยู่ในความกลัวเราจะต้องมีชีวิตหลุดออกจากสิ่งที่ทวงอยู่สลัดทิ้งซึ่งความบาปและสิ่งที่ทวงอยู่ทั้งหลายเรากำลังขอพระเจ้าป้องกันชีวิตของเรานะครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเนื้อหาสาระปะการต่อไปที่สองครับก็คือพระเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยเราครับพระเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยเรา พี่น้องครับเรานั้นสามารถชนะมารซาตานได้ถ้าเราพึ่งพระเจ้านะครับพระเจ้าเปิดเผยหลักการบางสิ่งบางอย่างในพระวจนะของพระองค์ในการปกป้องทฤษตียนจากความพ่ายแพ้นะครับจากความพ่ายแพ้ดันั้นครับกลับมาถึงพระธรรมเดิมนะครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลอง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 ประโยคแรกก็คือไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายที่น้องครับมีการทดลองเยอะแยะมากมายนะครับมีร้อยแปดพันเก้าอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่มันไม่มีสักอย่างเดียวที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นมาก่อนทางนี้ทั้งนั้นครับคนต่างๆมากมายที่รับการทดลองแต่ละคนแต่ละคน ก็อาจจะแพ้หรือบางคนอาจจะชนะเพียงครับพระกัมพีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องชนะแต่พระกัมพีร์บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับท่านหลายหมายความว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดสรรการทดลองนะครับหรือเป็นผู้อนุญาตนะครับให้เกิดการทดสอบนะครับในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน เพื่อจะให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ผู้เชื่อนั้นสอบผ่านแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีผู้สอบผ่านบ้างนะครับสอบได้และบางคนก็สอบไม่ได้สอบตกในขณะเดียวกันครับพังพิศพูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระเจ้าจะไม่ปล่อยหรือไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้หมายความว่าพระเจ้าทรงทราบดีด้วยความสัพพันญูของพระเจ้า ดลิศอำนาจของพระเจ้าด้วยการรู้รอบและรู้รักเรานะครับด้วยความรู้รอบและรักเราพี่น้องทับพระเจ้าได้ปรับเปลี่ยนนะครับหรือปรับการทดลองนะครับให้กับเราแต่ละคนอย่างเหมาะสมแน่นอนครับจะไม่เกินกว่าที่เราจะทนได้นะครับอันนี้เป็นประการแรกเนื่องจากความศัตรูของพระเจ้านะครับเนื่องจาก ความยุติธรรมของพระเจ้าเนื่องจากความดีของพระเจ้าเนื่องจากความรักของพระเจ้าเนื่องจากพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะไม่ให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นะครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับเมื่อเราถูกทดลองพระเจ้าจะโปรดให้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับโปรดให้ทางที่จะหลีกเลี่ยงได้อันนี้เป็นประการที่สองมีทางออกเสมอสาหรับการทดลองนะครับ สำหรับทุกๆการทดลองสำหรับทุกการทดสอบมันมีทางออกเสมอนะครับพี่น้องโปลดไว้วางใจได้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชัยชนะมาถึงเราพระเจ้าจะทำให้เราสามารถผ่านการทดลองได้อาเมไม่ครับพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเข้าไปสู่ประการที่สามครับนอกจากจะมีทางอีกเลี่ยงได้พระเจ้ายัางประทานกำลังทนได้อีก นี่เป็นประการที่สามครับพี่น้องครับบางครั้งเราอดทนไม่พอใช่ไหมครับเมื่อเราพบกับการทนลองบางครั้งเราทนน้อยไปหน่อยเมื่อการทนลองผ่านไปและเราพ่ายแพ้เราสัื่อกับตัวเราเองเราจะต้องหันกลับไปดูเราต้องยอมรับว่าเราทนน้อยเกินไปครับหลายหลายครั้งทีเดียวด้วยความอ่อนแอทางด้านเนื้อนหนังของเราเราก็ทนน้อยเกินไปเราทนน้อยไปด้วย ความโมโหของเราด้วยการเอาแต่ใจตัวเองของเราหรือด้วยการสงสารตัวเองของเราเราก็อดทนน้อยจนเกินไปเพียงครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายต้องกลับมาดูชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งครับในเช้าวนันนี้มีอะไรที่เรากำลังอดทนอยู่บ้างหากว่ามีอะไรที่เราจะคิดล้มเลิกในการรับใช้พระเจ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เราคิดว่าเราจะวางมือเราจะไม่สนใจละ ในเรื่องของการรับใช้ในเรื่องของการประกาศหรือบางท่านบางคนอาจจะมีความท้อใจพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้านั้นได้ให้การทดลองเกิดขึ้นนะครับพระองค์ทรงสับซื้อแลเที่ยงธรรมพระองค์ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของเราอย่างไรพระองค์ก็จะทรงประทานสามอย่างในวันนี้เพื่อที่จะนําเราเข้าไปถึงชัยชนะได้นะครับพี่น้องครับ ก่อนจะจบในวันนี้ผมขอทบทวนนะครับอย่างแรกที่พระเจ้าจะให้เราก็คืออย่าไม่มีสิ่งใดที่เกินที่เราจะทนไม่ได้ครับในการทดลองอย่างที่สองก็คือพระเจ้าจะให้ทางออกในทุกๆการทดลองให้กับเราครับมีทางออกเสมอประการที่สามก็คือเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่จะมีกำลังทนได้ครั บ, รบมีกำลังทนได้สิ่งนี้นะครับทั้งสามอย่างนี้จะเป็น เหตุที่ทำให้เราไม่กลัวไม่กลัวการทดลองครับเราไม่อยากเข้าสู่การทดลองนะครับแต่เมื่อพระเจ้าอนิย่ายให้เกิดเราต้องเข้าสู่การทดลองด้วยความมุ่งมั่นไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าและเชื่อมั่นศรัทธาในความสักด์ธรรมในความสัก์จริงและในความดีในพระคุณของพระเจ้าซึ่งเพียงพอกับเราทั้งหลายเสมออาเมน